ต่อคิวัาดีแล้วก็ถวายพระอย่างนั้นซึ่งบางทีมันก็ไม่เหมาะไม่สมควรแก่สมณารูปูเช่นบางทีก็ถวายบุหรีไปงานหลายงานก็มีบุหรีมาถวายบางทีก็ถวายสิ่งอำนวยความสะดวกที่ไม่จำเป็นเห็นเจ้าคุณท่านเป็นพระสมณศักดิ์ละสมณศากก็ถวายรถเบ้นถวายรถบีเอมจนกระทั่งเกิดขานิยมว่าถ้าเป็นพระราชาคณะต้องมีรถราคาหรูยิถ้าเป็นสมเด็จ ก, ก็ต้อง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 อันนี้ก็เป็นเรื่องการบำเพ็ญทานนะที่จะว่าไปมันก็ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยและเกิดว่าเป็นการบำเพ็ญ ท, ทานที่มุง่งลดละความยึดติดถือมั่นในตัวตนแต่ว่าจะทำอย่างนั้นได้เนี่ยมันก็ต้องบำเพ็ญบุญหรือบำเพ็ญบารมีอย่างอื่นด้วยโดยเฉพาะในเรื่องของศีลและก็ในเรื่องของภาวนาก็คือเรื่องของใจนั่นแหละเพราะว่าทัาใจยังไม่ได้รับการฝึกฝนอบรม